ทุติยปัญ น, นาตหนึ่งสจิ ต, ตวักหมวดว่าด้วยวาระจิตของตนหนึ่งสจิตสูตรว่าด้วยผู้ฉลาดในวาระจิตของตนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีณนะที่นั้นแหล พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรื่องภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวรจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ฉลาดในวรจิตของตนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในคุณธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้มีอภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของเขาอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีอภิชาเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีถีนมิทะ ความผหดหูและเสื่อมซึมกลุ่มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือปราศจากถีนามิทะเราเป็นผู leuke, ้มีจิตฟุ right. ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมอง เราเป็นผู้มีกายกระสับกระสายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระสายเราเป็นผู้เกียดคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารบความเพียรเราเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตตั้งมั่นเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้าที่ใส ถ้าเห็นธุลีหรือจุดดําที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดํานั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดําที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาบของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้มีถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมาก เป็นผู้ ม, มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผ euh ู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายกระสับกระสาอยู่โดยมากเป็นผู้เกลียดคร้านอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุสาหะความขมักขมันความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขมันความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายาม ความอุสาหะความขมขมเมานความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไม่้าหรือไฟที่ไม่ศีสะนนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากถีนามิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมาก เป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่โกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่เศร้ามองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายไม่กระสับกระซาอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไป สจิตตะสูที่หนึ่งจบ 2. ส, สารีบุตตะสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรณที่นั้นแหลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นกล่าวรับคําแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายหากภิกษุเป็นผู้มีฉลาดในวรจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวรจิตของตนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวรจิตของตนเป็นอย่างไร คือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในคุสนธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้มีอภิชาอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีอภิชาเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือปราศจากทีนมิทะเราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่าน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 ภิกษุนั้นควรทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมะขมเข่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมะขมเข่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟที่ไม่ผ้าหรือไฟที่ไม่ศีสนั้นผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชาอยู่โดยมากและถึงเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในคุสนธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไป สารีปุตตะสูตรที่สองจบ 3. ทิติสูตรว่าด้วยความคงอยู่กับที่ในธรรมภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความคงอยู่กับที่ในคุณสธรรมทั้งหลาย ชไหนจะสันเสริญความเสื่อมเล่าภิกษุทั้งหลายแต่เราสรนเสริญความเจริญในคุณสมธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมความเสื่อมในคุณสมธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาและปฏิพานอยู่เท่าไรทำเหล่านั้นของภิกษุนั้น ไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเสื่อมในกุสนธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญความเสื่อมในกุสนธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แลความคงอยู่กับที่ในกุสนธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรทัทธาศีลสุตะ ญาคะปัญญาและปฏิพานอยู่เท่าไรทำเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่เสื่อมไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความคงอยู่กับที่ในขุสรธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญความคงอยู่กับที่ในขุสรธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แหลความเจริญในกุสรธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างไร เือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะปัญญาและปฏิพานอยู่เท่าไรทำเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เสื่อมเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเจริญในคุณสธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมความเจริญในคุณสธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างนี้แล หากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุพึงสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวระจิตของตนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวระจิต ข, ของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในคุณสธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้มีอภิชาอยู่โดยมากหรือนอ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 ส่งดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ําที่ใสถ้าเห็นทุลีหรือจุดดําที่หน้านั้นก็พยายามขาจัดทุลีหรือจุดดํานั้นเสียหากไม่เห็นทุลีหรือจุดดําที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาบของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชาอยู่โดยมาก เป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้มีถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตเศร้ามองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายกระสับกระสาอยู่โดยมากเป็นผู้เกียครานอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมาก ภิกษุนั้นควรทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นภิกษุนั้นควรทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้น เปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศรีรษะที่ถูกไฟไหม้ทำความพอใจความพยายามความอุสาหะความขคคมคมเข่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศรีรษะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชาอยู่โดยมาก เป็นผู้มีจิตไม่พยาบามอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากถีนามิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายไม่กระสับกระสายอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมาก ทิสุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปทิติสูตรที่สามจบสสมถสูตรว่าด้วย ความสงบแห่งจิตภิกษุทั้งหลายหากภิกษุไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุพึงสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวระจิตของตนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุฉลาดในวระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่า เราได้ความสงบแห่งจิตภายในหรือไม่ได้หนอเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรือไม่ได้หนอเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวทรงดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขาจัดทุลีหรือจุดดานั้นเสีย หากไม่เห็นธุลีหรือจุดดํานั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเห็นนั้นเองว่าเป็นลาบของเราหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรตั้งมั่นในความสงบแห่งจิตภายในแล้วทําความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเถิดสมัยต่อมา ภิกษุนั้นได้ทั้งความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทําความเพียรเพื่อความสงบแห่งจิตภายในเถิดสมัยต่อมา ภิกษุนั้นได้ทั้งความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและความสงบจิตภายในถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุสาหะความขมขม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเถิด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 เพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นสมัยต่อมาพิกษุนั้นได้ทั้งความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทาความเพียร เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปแม้จีวอนเราก็กาววาออล่ว า, า, กกาวว่ามีสองอย่างคือจีวอนที่ควรใช้สอยและจีวอนที่ไม่ควรใช้สอยแม้บินทบาทเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบินทบาทที่ควรชั้นและบินทบาทที่ไม่ควรชั้นแม้เสนาสะนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสะนะที่ควรอยู่อาศัย และเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภท คือบุคคลที่ควครคบและบุคคลที่ไม่ควครคบจีวอนที่ควรใช้สอยและที่ไม่ควรใช้สอยเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้จีวเราก็กล่าวว่ามีสองอยา่างคือจีวอนที่ควรใช้สอยและจีวอนที่ไม่ควรใช้สอยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาจีวอนสองอย่างนั้นจีวอนใดภิกษุรู้ว่าเ네มื่อเราใช้สอยจีวอนนี้แล อากุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปจีวอนนี้ไม่ควรใช้สอยจีวอนใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวอนนี้แลอากุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นจีวอนนี้ควรใช้สอยเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้จีวอนเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือจีวอนที่ควรใช้สอยและจีวอนที่ไม่ควรใช้สอย เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบินตาบา ท, ที่ควรฉันและที่ไม่ควรฉันเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลวว่าแม้บินตบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบินตบา ท, ที่ควรฉันและบินตบา ท, ที่ไม่ควรฉันเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาบินตาบาสองอย่างนั้นบินตาบาใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบินตบาตนี้แลอกุณธรรมเจริ ญ, ญยิ่งขึ้น อุปสมธรรมเสื่อมไปบินดาบานี้ไม่ควรฉันบินดาบานใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบินดาบานี้แลอกุปสมธรรมเสื่อมไปอุปสมธรรมเจริญยิ่งขึ้นบินดาบานี้ควรฉันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้บินดบารเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบินดาบะที่ควรฉันและบินดาบะที่ไม่ควรฉันเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น เสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราเกล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาเสนาสนะสองอย่างนั้นเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แล อกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเสนาสนะนี้ไม่ควรอยู่อาศัยเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอากุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นเสนาสนะนี้ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัย และเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและที่ไม่ควรอยู่อาศัยเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าแม่บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาบ้านและนิคมสองอย่างนั้น บ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยบ้านและนิคมนี้แล้วกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปบ้านและนิคมนี้ไม่ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยบ้านและนิคมนี้แล้วกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบ้านและนิคมนี้ควรอยู่อาศั remember, ยเพราะ อ, อาศัยคําที่เรากล่าวไว้ว่า แม่บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและที่ไม่ควรอยู่อาศัยเรากล่าวไว้แล olla, ้วเช่นนี้แล้วว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัย และชนบท แ, และประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรบรดาชนบทและประเทศสองอย่างนั้นชนบทและประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยชนบท แ, และประเทศนี้แลอกุศลธ ร, รรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปชนบท แ, และประเทศนี้ไม่ควรอยู่อาศัยชนบทและประเทศใดภิกษุรู้ว่า เมื่อเราอยู่อาศัยชนบทและประเทศนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นชนบทและประเทศนี้ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบุคคลที่ควรคบและที่มีควรคบ เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลวว่าแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรครบและบุคคลที่ไม่ควรครบเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาบุคคลสองประเภทนั้นบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราครบบุคคลนี้แลอวกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปบุคคลนี้ไม่ควรคบบุคคลใดภิกษุรู้ว่า เมื่อเราครบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบุคคลนี้ควรครบเพราะอาศัยคาที่เรากล่าวไว้ว่าแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรครบและบุคคลที่ไม่ควรครบเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นสมถะสูตรที่สจบ บริหารณสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปณที่นั้นแลท่านพระส า, ารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าภิกษุผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกล่าวรับคําแล้วท่านพระส า, ารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไป และตรัสว่าบุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมบุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไรน้อและบุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไรภิกษุเหล่านั้นเรียนว่าผู้มีอายุกระผมทั้งหลายมาแต่ที่ไกล เพื่อทราบเนื้อความแห่งภาสิทธิ์นี้ในสำนักของท่านสารีบุตรดีละเฉพาะท่านสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งภาสิทธินั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากท่านสารีบุตรแล้วจกทรง จ, จำไว้ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้ว ท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรคือพิสษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ไม่ได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟัง 2. งธรรมที่พิสษุนั้นเคยฟังแล้วถึงความเลอะเลือน 3. ธรรมที่พิสษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนไม่ปรากฏแกเธอ สี่ิสษุนั้น่อมไม่รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลบุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมบุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรคือภิสษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟัง สองธรรมที่พิกษุนั้นเคยฟังแล้วไม่ถึงความเลอะเลือน 3. ามธรรมที่พิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนปรากฏแก่เธอ 4. ภิกษุนั้นย่อมรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลหากภิษุไม่ฉลาดในวระจิตของผู้อื่นเเเมื่่อป็นนนชั้นภิกษุนนั้น พ, นนพึงสำเนียกว่า เราจักเป็นผู้ฉลาดในวระจิตของตนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุผู้ฉลาดในวระจิตของตนภิกษุฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราไม่มีอภิชาอยู่โดยมากหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแกเราหรือไม่นอ เรามีจิตไม่พยาบามอยู่โดยมากหรือ no ธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราปราศจากทีนมิตะอยู่โดยมากหรือ no ธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือ no ธรรมนี้มีอยู่พร้อมแกเราหรือไม่หนอเราข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากหรือ no ธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอ เราไม่มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนาทธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนาเรามีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนาทธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนาเราได้ปราโมทในธรรมภายในหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแกเราหรือไม่เนอเราได้ความสงบแผงจิตภายในหรือหนาทธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนา เราได้ความเห็นแจ้งทำด้วยปัญญาอันยิ่งหรือหนอธรรมนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอปรีเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดพองหรือในภาชนะน้ําที่ใสถ้าเห็นทุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดทุลีหรือจุดดานั้นเสีย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 เพื่อได้คุณสมนธรรมเหล่านี้ทั้งหมดภิกษุนั้นก็ควรทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมขมเณรความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้คุณสมนธรรมทั้งหลายเหล่านี้เปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมขมเณรความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไม่ผ้าหรือไฟที่ไม่ศีสนั้นถ้าภิกษุพิจารณาอยู่พิจารณาเห็นกุณสมธรรมบางเหล่าว่ามีในตนพิจารณาเห็นกุณสธรรมบางเหล่าว่าไม่มีในตนภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในคุณสธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นว่ามีในตนแล้วทำความพอใจความพยายามความอุสาหะความขมขมเณ ความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมที่พิจารณาเห็นว่าไม่มีในตนเหล่านั้นภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นในตนแล้วทำความพอใจความพยายามความอุสาหะความขมขมเณนความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นว่าไม่มีในตน เปรยเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขคคมขมเขนความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่พิจารณาเห็นกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดว่ามีในตน ภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเลยแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปปริหานสูตรที่5จบ 6. ปฐมสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญาสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสัญญาสิบประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากยังลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดสัญญาสิบประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณะสัญญา กำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหาเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 4. สัพพโลเยอณภิรตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. อณิจจะสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อณิเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร เทุกเขอนรตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนราตาในความเป็นทุกข์ 8. ปหานาสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลลวิตกและบาปทำทั้งหลาย 9. ก้วิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีต 10. นิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีตภิกษุทั้งหลาย สัญญาสิบประการนี้แหลที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดปฐมสัญญาสูตรที่หจบ7ทุติยสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสัญญาสิบประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาสิบประการอะไรบ้างคือ 1. อ น, นิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. ออนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. โมรณสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 4. อาหาเรปติคูละสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 5. ้สัพพโลเกอนนาิรตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลิในโลกทั้งปวง 6. อธิกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อน 7. ปุรุกวกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีนอนคลาคล่ำเต็มไปหมด 8. วินีละกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆเ้าวิจิตลกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นสองท่อน10อุทุมาตะกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดภิกษุทั้งหลายสัญญาสิบประการ น, นี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มาก ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดทุติยสัญญาสู่ที่เจ็ดจบ